Thank you. แา้วก็รูปเราเรื่องนั้นเกิดอ่ะรูปเอ้ยนันนเอาของเสอ้ออกก็ได้แล้วรูปงอ้ยโอ้มาดูลูกเลยอช่รูปใเราเรียนรับดีนาลูเอ้ยเสียนไานถ้าโดนถ้าสาวลูก อืมเพราะว่าเราเป็นตัวหาูดสรุปเราครับผมครับผมครับก็ตํางเด็ไประโยชครับผมอันนี้ทุก่อนฮะว่าเอีอีกคำถามหนึ่งที่อ่หลวงพ่อเคยพูดหลวงพอตุ้มว่าต่อไปก็เนี่จะสอนจะสอนใหม่ๆนะที่ว่าหลวงพ่อจะสอนใหม่ๆทาอย่างไรถึงจะอ่าที่ว่าสอนใหม่ๆหลวงพ่อจะปลูกศรัทธาความเพียร ความสนใจความเข้าใจของคนปฏิบัติผมชอคิดว่าจะสอนอยังไงครับสอนเนึ่งก็จะว่าเราให้ชัดก่าเก่าแต่ก่อนเราก็เพิ่เยอะกายเวทนาสีเทาที่ถโอ้ครับผมาะบางทุก์เพิ่กายดเวทนาสติจิตสติโอให้ละเอียดขึ้นลึขึ้นละเอียดลึกขึ้นลเยเนี่ยผมอยากฟังว่ามาตั้งแต่ปะะีปศสปหน้าร้อยสิบเอ็ดแล้วหละหลว นี่ยังแปดปีเก้าปีแล้วหลงพ่อผมเคยามหลวงพ่อบอกขกัวเออมันชัดขึ้นนะคืีคนถ้าให้ก็ตามได้เขาทับยืนไม่ได้ก็ให้เขาเห็นทางมากครับคมันเป็นการเห็นทางอะไรเห็นมัดก็ผมมันเห็นมัดชัดเจนเห็นทางเดินชัดเจนไม่ไม่เป๋ไปเปมากางที่เราทำอายสุกานมีเรื่องวาสุเวทน เป็นยาาบกิกิจําหิทสําับทร่นพดคุยครบคยานนก็แนดโอเป็นบุญกุศลเป็นบุญกุศลของลูกศิษย์ลูกค้าญาติโยมเลยหลวงพ่อเรอครอง้าไหมฮะเรายวก็ครองข้ากับนไหฮะดีไหมในตู้ตู้ได้ลวงพอลวง่ครองนะคุณจะได้ฮหรือไม่ต้องนะไม่ต้องเนาะ ผมเรียนตัวกนะครับผมานทวนยนองก็เหนื่อยพ่อกว่าทีนี้พอก็ได้ให้เต็มตัวหนอเนาะลองดูเครื่องมันมันใช้ได้ดีอืเรื่องกายกายเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะอยาตกเหวตกเหวกายเอาการมาเป็นตัวชันทุก เขาบอกว่าทั้งเป็นหิวนะถ้าตัวรงกัยก็เจ็บัวดนเอตนาก็ดีเอตนาก็เจ็บปวดนะไม่ใช่เราลู่เฉยๆนะกอดลงไปจริงๆจะทำให้เจ็บปวได้เจ็บก็เหมือนกัน ยึดก็เหมือนกันครับเดี๋ยวครานั้นพ่อนะอีกคนจะพูดอีกครั้งหนึงก่อนที่ให้หลงพ่อพูดก็อ่าตอนที่หลวงพ่อป่วยหนักๆนะเนาะแล้วสติของหลวงพ่อเนี่ยมันต้องได้มาทําหน้าที่ช่วยเหลือหลวงพ่ออ่าอยากเต็มที่เพื่อให้อาจารย์ คาดการให้ดำรงอยู่ต่อไปฉันอยากให้งพ่อเล่าเล่อตอนต่อที่หลวกพ่อเกิดว่บเกิดขึ้นเกือไปเนี่ยให้ยเอนกลับไปแล้วว่ากระบวนการตรมนั้นมันได้ทำหน้าที่กันอย่างไรตอนบี้เรีนแล้วครับเวลาเวลาที่มันชวนเกียนมันจนหายเจไงเอ้ะ พึ่งได้ไม่ได้มันแบบพึ่งรายไม่ได้ไม่เคยไม่เคยมีแต่มันจะเต็มเต็นึงพร่ามันพึ่งไม่ได้มันก็หมทิ้งมันก็กลับไาอยู่มันดูมันอยู่มันออกมันดูมันอยู่เออตอนมีกลาดแงนะตอนีม่ปลอดแรงนะสภาพแบบนี้ไม่เคยเป็น นี sea, de ่แต่ประสบการณ์คุณหลวงพ่อเทียนเท่าร้อยทุกสองตอนประสบการณ์คุณหลวงพ่อเทียนกับวันที่อยุดนี้ว่าอยู่เป็นปัิจจตังเป็นปัิจจตังสำหรับผมไม่ใช่อดีตไม่ใช่าคดไม่ใช่ปฏิบั แม้สามสิบกว่าปีกับช่วงที่ผมอยู่ห้องไอซียู่ผ่านไปอีกสองสิบกว่าปีสีสิบปีเหมือนเป็นสฏกรรมอันเดียวกันเนี่ยมันก็ใช่ได้นะมันใช่ได้มั้ยเวาเรามาอยู่เราอยู่ได้เวาเราออกมาดูมันใช้ไป่ได้ตัวนี้เราอยู่ตันนี้ ก็ข้องอยู่ตองนี้เป็นอิสระอยู่ตรงนี้ผู้คนนั่งอะไรไม่ยืนเลยก็บอกบอก็บอกบอกผู้ค น, ต, รรนต้องใหาา้ว่าไม่ต้องวางนะไม่สะดวกลานี้เลางพ่ไเป็อิสรมากที่สุดไม่เคยมีอิสระแบบนี้เลย ไม่เคยมีตบาดแบบนี้ทำไมมันมีอกจฉามากตอนนี้เนี่ประสบาการณ์ตรนนี้โอ้แล้วประสบกรณ์นั้นนี่ฮะโอ้ละยมาจากการเมืองแต่เราตกานที่เล็กที่เล็กที่เล็กี่กมันต่อกั น, น, นต่อกั น, น, นอารมณ์กองการทหารเองสกจัดจี คำว่ากายระวังแทนพิธีของตัวเองเป็นสุดคนรุวนกมิดอีกิจิตวิที่จะลองสงสัยรื่องกายไม่ใี้ม่ีสงสัยเรื่องการะัติไ้่มีไม่มีเลยมาก็เลียมาก็เลียมาก็เรียสลายสลดเป็นคนคนหนึ่งมาก็เลีย อารมณ์ต้องต้มมันเอาให้เรีย่ยมมนต้มแม่ปลาเรามันเให้เรี่ยมมันให้มที่รักที่ทางทาเรีย่ยมงองอาะมณเขามาทำมั่แล้วเก็บเรีย่ยมตานานแล้วเลมวกับทางขึ้นเขาทางขึ่นเขานี่พอจำล่าเจ๋งขึ้นได้ฮะเหมือนขึ้นหน้าเขาโอ้เรามีทางมาแล้ว เราตาทางไปแลยวมันก็ตามทางไปตามทางนี kind of like ้เฮ kind of like so ้ยหน้าจะหนีหรือหน้าจะหนีหร่อใช่หรอเปอ้าสิงที่มันน้ามันใช้ท่านจะทะได้เราไม่ใช่ตัวนี้จะอยู่ได้ไหมไปตือไกัวตายงน เทียบเทบ่ากันเลยว่าชีวิตทเทียบเท่าตัวนัใครูดจะนี้ได้อะรองความฝันไม่เหมือนแค่เทียบเท่าให้ขึ้นฝังได้สบาดร่างจริง ค, ความสงสัยในเรื่องชีวิตจริง เกิดม <hi> ja. ันเกิดคนเจ็บคนเจ็บคนตายกันแค่ไหนเฮ้สนุกคนไม่มีใครมันก็ให้เรื่อยไปแตเรียกว่าสนุกก็ต้องใช่ว่าจบก็ต้องใชคนไม่มีใครงอแงทางไหนมันไม่มีใครนี่ยุวิติไม้มีใไง าที่เดียกันทุกที่เดีวกันทาี่เยวกัอะรไยน่เองนที่เเริ่การี่ตายไปเรื่อยไปเรื่อยติดกัเรือยตกันไปร่ยแล้วก็ออกเที่ออกเที่เข้าเที่เข้าออกเข้าออกเข้าออกตอนเข้าออกเข้าออก ประสบการณ์ประสกรศึกษาควเข้าใจอนเราว่าเราเนี่ยประสบชู้ในโลกการศึกษานั่งร้องครับผมบทช่ตัวแล้วมันดื้อบทตัวเลยไม่มีใครดูเลยคำนี้แตกกันไปเล แตกกร้จายตัวเลัเาะต่อนี้เรารไ่ได้เราโลกมนต่อกับชงนเ้แไ้มันไแ่ด้เราเวทมนตรมาต่อกันเราแสงยาวมาต่อกันเราวิงญันมาต่อกันมันแค่กไม่ดมันไปนู่นไปนี่มันไปแทรกไได้เลยก็้อยู่ตรงไหนส เราไม่ชอบมันทนไม่ได้จเกินมากพอไม่ชอบก็จำเกินไปอเมริกเลยเข้าตรงนี้รงดูิอดเข้านีช่แแล้วเรจล้ก็เรเลกนไ้ก เอามันเป็นอุดไเลยรัน์หมดไพอมันหไปเยข้าตรงนี้้าษาธรรมะด้วยแล้วก็เตียนว่าเข้าชาตียนพอรเข้าเตียเข้าาตนี้ก็งีหวัมือนันพอารเป็นอีกครั มันจะมีกอะไรอคสนี้ ay, จะม้ดีมีวันวันเปลี่หอยู่กับเลี่ยนหัาเป็นเดียวเลยันะดูเปีย โอ้หลวงพ่อเกียนหลวงพ่อเทียนอยู่ไหงนั้นนะลยงพ่อเทียนมันก็เทียนอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้อ้าวพรอริสชาทังหลายอยู่ตรงนี้ไม่มีใครจะอยู่ที่ไหนเดียกว่าทางสายนี้ไปที่แห่งเดียวกันไปถึงจุดไหนกยทางนั้นเดียวกัน ไอ้คนเดียวไอ้เด็กที่อยู่ในเด็กไม่เป็นคนร้ยนายเลยที่จะว่าไม่ต้องมีคำทำนี่ประสบการณ์นในช่วงน้นองตัวเบล เราจะกดดให้ร the so so ับเขาสะเลนด้วยเยอทีที่เราจะต้องสอนเวลาเราสอนโคาตันละหอยนะ่ม่็ไม่ควคุมเก็บอะไนคนหายใจก็ได้คุณดำอะรคุณจะทชีวิตของเราไม่ เดี speed, ๋ยาหตัวที่มังก็ุทีสังขารมาเจอทุกินกสังขารทุกทุกสังเกรุทุกสังขารทุกทรู้รูหรุ้อะไรกันหนึ่งเป็รู้ไม่ใชรู้เเอาบางเหตุผเป็นผลทาให้แย่งกันมันจะไปสอนเรื่องเดีวเอาอันนี้ทีอันนี้ดีเดี๋ยวไปจำเอามันเี็นมากเป็นตุนไม่ การมาแจ้งขึ้นจะทดตอนแบบโกดว่าเป็นนิ่มที่สุดถ้าเป็นเกล็ดเล็กลงไีดให้หนาก็้นทึบขึ้นคนเลยตาเอาไว้พอเขาไปเหตุการณ์นี่ก็ตาใครเอาไว้เขาใจไครับพเขาไม่เนะไรก็ปาเรต่อนั้นไ เขาเเห็นจิตนัขตายิตเนไม่คยร่มันมไไจ็ต่าานดนนยงเขาตายวะให้เขา่งันตก็อนนัต่อไปอ้มมมีี่่โเอ ต้องที่จุดขอนะงเราแบบตามแล้วไม่ต้องมีปัญหาที่ไหนอาลงงบประมาณเรียกสุขาวิปัสสุทธิผู้จะเรียมีส า, ารทำงานด้วยวันต้องไปเรียนด้ยดวยแล้วก็ลงเพื่อทาใไม่ร้จเป็นยังไงก็คือ อยากเปิดใจดต่อเาสุขก็ควาดอนธรรมอภันี้ยนขบ้ก็ะสบการณน การที่จะไปส่งคนมาเริ่มต้นข้ามกลางในที่สุดไปโยงก็เหมือนกรณีนี้ได้ไม่เป็นสุนทรเริ่มต้นข้ากลางในที่สุดมันจบกรณได้ไม่เป็นกรณีได้ภาพกระายไปด้เพื่อแค่ใกล้กันสงเก่นั้นจนขอบของมันใกล้กัน ห้องที่อยู่ใกล้ๆน wow ่แค่ก ah ja> ็ยึดมาใช้จริงๆห้องที่เป็นอยู่ใเล้น่ค่การปิบัติธรรมมีคสอนใช่ตอนที่หลวพ่อตอนที่หลวงพ่อบอกว่าเหมือนกับอ่านปัจจาวะอะไรเดก็ได้เหมือนกับหลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อว่าอ่านปัจสวะใช่ไหมฮะเสร็จแล้วกอพอ ได้ตัดสบตแล้วหลวงพ่อได้ใช้สติมาพิจารณาท่าสีอา่อะไรอย่างนี้ฮะหลวงพ่อเล่าตห้ไหน่อยครับผมอันนี้ก็มาดูขันเนี่ยสตินี้คันนึงท่าก็เคลืนไปได้เลยเขมก็เคลื่อเลยเลยแล้วก็โอ้สตีนี้ขัด อธิโมนียังมีท่าท่้องให้เราดีามุ่งไปอับดุตุนเดลัสรับผลลัพธ์สัญญาณเอ็นกระดูกเยอะไม่กระดูก้ามอวเคสตัดสัมผัสตั้งใจเพราะนั่นแอมแอมต่อโอ้โอเคมสุริดีจง น้่งต้องเชื่อหน้ า, นนานลมต้องเชื่อเลยไฟก็ต้องเชื่ักอันนี้ก้วีน ะ, ะ ต, ตักตัดตาทก็ดีดีขันนี่ขันหน้ า, นนนนาก็ ด, ก ด, ดีมันนั่งคิด็อย่ังจะดท้ายก็จบส้เยอะนั่นกับเราก็มีอะไรก็ให้ห้อแใส่ดีดีกว่าที่จ ะ, จะคิด ก็เลยว่าชอบพาดเพราว่าชอบพาดบอกว่าพลาดดินกับขอเสีก็ลูกจุดปวดสับเวาอือแต่จะว่าก็อยู่คนเดียวแบบนี้น้องเพื่อนใกล้ชิดคนเสียอะไรของพวกคนเสียหนีกท่นโคลหรือเราเป็นใครเรไม่เ็ เราเป็นผ <fun c oughs> ้ากันไปรับเป็นผ้ากันไปกออกเด็กเลื่อนขึ้นเลขากเาผ้ากันดีแล้วเลยเอาห่อมาแล้วเลื่อนขึ้นออนน่าแมงมุมดูจะง่ายใจก็เลยหายใจล่องหนหายใจล้องหนเด็อบคาใช่ไห เขาขึ้นบอบอลแล้วล้มก็แทบเขาเกลีดัวเองเอาเลาะไปงว่าหลวงพล้มเลยดันก็นพออานมาไลวันเลยอนนก็เฉยเอเปลี่ยน่นานี่อ ก็จะว่าก็ฟังฟังเสียงคนฟางนี้ยังไม่ใช่หายใจเลยลืมไปลืมลืมเรื่องอะไรเรื่องเก็บเรื่องมอต่อมได้ เขาจะฟยาพูดเขาดูดีเขาทำอะไรได้เลยนะเวลาไห้เราติดโรคอะไรเวลาไหนเราทอะไรก สบายเจ็บสบายปวดสบายตาอืมอืมฮะคนปวดร้อนเป็นตัวรู้ตัวดีปวดร้อนคนร้อนเปนตัวฮะทุกนมีอืมเออเราเนี่ยปวงามันมีตุกติก เวลาหนึ่ายไปเลยที่สุดไม่เจอน่างวลบอกว่าอะไรสักหนึ่งพอถ่ายทำก็ลาวละมุนที่สุดโอ้ก็เปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างมีไหมนั่นก็ไม่ใช่เอ้ามันก็มีนี่แหละมันก็มีอยู่แล้ว ไมนมีธุระอะไรที่มันเป็นธุระตอนนั้นก็จะให้คนไปบ้างให้ไปมาพัฒนาท่านมาพัฒนาฐานติ่งไหนที่เราพอที่จะได้เราก็แค่แค่ทำเพราะว่านานแค่ไหนที่เราช่วย ใีนอนแล้วออกเส้นแ้วก oh. ็ดีทั้งทงก็เริรามรงนมันควรอ้มอุ้มหน่อยจเลยเนี่ยฉันควรอ่ะอ๋ออ้มอมห่อยใเลยก็เลยมาถึงใจเรื่ หานเจอได้บ่ามหางเจอไม่ได้บ้างเออถ้าาเจอเท่าไหร่ก็มีหางเจอเท่าหางเอพอดีมันไม่บางคนก็ไม่ตั้งเลยไม่เมืนคนตัดแต่งาจอมสน นาดามโยก่อนีน้าในต่างบอกเจริญพ่อเต็ยังไม่มีอย่างนี้อดี่มือสะบัดไปตอนเชื่อใจปอบมันเกิดจากควมไม่เติบโตเลยที่ เอาไปที่ขวดทเลี้ยวมันจะยาวไปที่จอดถ้ามันรักษาแนด้านแน่นเอาเมงเช็ดก็ได้เยื่มงเจาะก็ได้รักษาคนหน่อยไม่ยอลกับบ้างไมหลายรักษาแล้วผมก็ได้ดีทีแกผนได้ดีแกได้ดีว่าไม่ได้ข่าแลวได้เลย โลกวางใหญ่ร <advisory> e e ักษาไว้โลกวังใหญ่รักษาไว้ชาวนาเป็นเกษตรกรเกษตรกนชาวดีนอกระดอนหล่อยาโรตี้ต้องใช้ห้าเข็ม เป็นหนึ่งเป็นแสนหนักแนนี่พรบอบเขาต้องเหนเข็นหนึ่งที่แสนหรวมอะไรกันหมดเป็นวันน้องขโทษเราได้ได้พระเจ้ากระหม่อมคุณพระเจ้าหน้าสิบสี่เป็นโรคหัวใ ลูกชายของเรา่าเรียนีใจควรู้ช่วยเรายอก็เลยพัฒนาขึ้นามาีวิตขึ้นมาพัฒนาสมบูรณ์หายใจหาใจอิ่อืมพัฒนา เราไม่เราไม่ไม่กลัวเราจะไปสังนะครับสิ่งท uh, ี่จะใช้นี่ที่ฆ UM ่าโหดอีกสอนี้อีกหนึ่งตัวเรียกตัวปลาเราจะไปตุกถ้าเราไม่คิดจริงจริงๆจะจะไตุกนานว่านานเลยไม่เหนื่อยเล ที่เป็นละกวางเม้วก um ็แต่ล้วก็โอปาร์ด้านต้นตาีได้ที่ดีกโอปาร์ด้านต้นผมเคยปูกตั้งแต่ทางลงเขาแห่ข้อมืเมล็จะถิ่นไปเทื เวาต้นขับรถขึ้นรับไปจะแวัเอาต้นกตับากินเาเลี้ยงขัไปรเ้เราจะไปกนามคนก็ท่างเวลาฝนกงออาเล โลดช้างมันรัมั น, ลนหล่ต่อไปคนจะได้เสกตอนนี้ติดม า, อ, า, า, อ, า, า, อ, าอันนี้ก็ตนหนึ่งตนหนึ่งแล้วก็จะปลูกป่าพุงงองพุงก็ป่าไปเลยตั้งมาตอดแต่งต้กอันต้นโครงการตัดแต่งระบบทิยมไปเจรจา จากนั้นเริ่มอริ่มต้นตามไปเรื่อยๆตามโครงการดีๆจะไปสนใจอะรปลูกเช่นยางปลูกเชื่อปลูกต้นมะพร้าวปลูกต้นบิ๊กทำเช่นฟาร์อะไรสมเพลย์ในยามประเทศปลูกปลูกว้นนี้วยปลูกนตอะยังพอไม่อยู่ครับ เราเนี Saint ่ยอาจจะเขียนโอกาสจริงบอกไปชี้อกคุณวิชัยไปนำเสนอทครงการที่มีการสารรักษาแล้วก็เราทำดังจะท่อดไอทีเวลาราจทอดสยตเราให้เงินสั่งเงินเลาโครงกานให้เขาดูการนี้เราฟางไปร่อน ให้เง hey, oh, e e e ินเท่าไหร่ให้รายเท่าไหร่ปลูกต้นกล้วยได้กี่ต้นปลูกต้นยางได้กี่ต้นโลูกมะละกอได้กี่ต้นนั่งคนได้ผลเรก็ได้ิลเราก็ได้ผีอย่างต้นคล้วยยางมะเท๊ะตนคนอยู่สี่ปีห้าปีบางน อันนี้ผมก็คิดเหนกันนะฮะ้คิดไปว่าตอนที่ก า, ารพัฒนาสมนงการพัฒนาสบอกเกิดปีสมังนี้นีพอพ อ, อ, อมามาดูใจกันกดูใจข็ง่ายูาี่แขง็ขงใจไม่ใช่เหร กับตรวจรูปปกติจริงๆไม่ได้สนุกเไม่ใช่นุกเลยการหายใจเ้าการหดยใจกรับดูอบาโบอยางนั้นร